ทำที่รักษาไม่ให้ตกไปในวัตตะมูสงคือผู้เสมอการด้วยศีลกับทิฏฐิผู้เสมอกันด้วยโสดาปติมัคสกธาคามิมัคอนาคามิมัคจนถึงอรหั ต, ตมัคทั้งหลายนั่นแหละคือพระสงฆ์มันพุโทโธเนี่ยนะราลึกถึงพุโทโธก็คือระลึกถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจอย่างถูกต้องทำโมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปใน วัตตเนี่ยนะแล้วก็สังโฆผู้เสมอการด้วยสติประธานสัมมัประธานอิธิบาทอินทร์สีพร ะ, ระโพชฌงและองค์มครรคทั้งหลายเพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงโลกุตระธรรมรมเป็นที่สงบระงับดับโลกทมเป็นที่พ้นจากโลกทมเหนือโลกเนี่ยนะก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยน ะ, ะบอกว่าทาอย่างที่เราทาบ่อยๆเป็นปกติ ถ้าปกติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยนะผู้นั้นก็จะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แต่ถ้าปฏิบัติอย่างอย่างวิธีที่เราคิดได้เองทฤษฎีของเราเองถ้าอย่างนี้ก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะหลักการก็กมีง่ายๆอย่างเนี้ยก็คือหลักการในในพุทธศาสนาบอกว่าวิธีการก็คือบอกว่าถ้าปฏิบัติเพื่อเพลิดเพลินในภพนั่นแหละคือการสร้างภพปฏิบัติเพื่อออกจากภพนั่นแหละคือเหตุแห่งความ พ้นจากพบแต่ทีนี้สำคัญที่สุดต้องรู้กลไกของพบว่ากลไกแห่งพบการเกิดขึ้นแห่งพบวิธีสร้างพบทั้งหลายเป็นอย่างไรวิธีปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากพบทั้งหลายเป็นอย่างไรซึ่งเราจะต้องอกำหนดพยายามทำความรูคม้ความเข้าใจให้ดีๆว่าพบคืออะไรและเหตุให้เกิดพบคืออะไรการรู้จักพบและเหตุให้เกิดพบนั่นแหละเรียกว่ารู้จักความเกิด ถ้ารู้จักพบและรู้จักวิธีดับพบนั่นแหละเรียกว่ารู้จักความดับนะนะดับดับของเรากับดับของท่านไม่เหมือนกันเนี่ยนะดับของเราบางทีมันก็เกิดดับเนี่ยนะแต่เกิดดับของเราเกิดดับแบบไหนก็เหมือนตอมน้ําเหมือนฟองน้ําที่มันเกิดมันดับแบบนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดดับแค่นั้นเนี่ยไม่พออยู่แล้วที่จะพ้นทุกข์มันก็ต้องรู้ว่าเกิดเหตุเกิดในวัตฏะเป็นอย่างไรดับความดับในวัตฏะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราสวดบอกว่า พระัญญาโกนธัญญาเนี่ยนะมีธรรมจักสุชื่อของโสดาปติมัคเกิดขึ้นพระอัญญาโกนธัญญะมีธรรมจักสุเกิดขึ้นเห็นอริยสัจยังกินจิตสมุทยัยธรรมมังเนี่ยนะก็เห็นและทุกข์กับสมุทยัยสัจจะสัพพันธังนิโรธธรรมมังเนี่ยนะ ท่านก็เห็นนิโรศสัรกระับมักศจกักจะไอตัวที่เห็นเนี่ยเป็นชื่อของมักศจกักจะอยู่แล้วเนี่ยนะพันเห็นทุกเห็นสมุทัยเห็นนิโรธเนี่ยนะตัวเห็นนั่นแหละเป็นชื่อของโสดาปฏิมักรพรานกาท่านฟังธรรมจักจนโสดาปฏิมักเกิดขึ้นมองเห็นอริยสัจตรัสรู้ทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเนี่ยนะพันเราก็ต้องพยายามความความเข้าใจว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดในภพใหมพ่พราะคําถามที่สิบหก พระมหาโกธิตะจึงถามว่าทำอย่างไรครับท่านจึงจะไม่มีการเกิดขึ้นในภพใหม่อีกต่อไปหรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะดับภพบใหม่ได้เนี่ยนะหมายคำว่าประจุติแล้วไม่ถือปฏิสนธิอื่นอีกถ้ามองในระยะยาวเนี่ย น, นะมีธรรมะเหล่าใดบ้างไหมที่ตรัสรู้แล้วทิ้งภพนี้แล้วไม่ถือเอาภพใหม่จุติแล้วไม่ต้องถือเอา ตฏิสนที่อันใหม่เปรียบเหมือนว่าฝีอันนี้หายแล้วไม่ต <aya> ้องมีฝีอันใหม่โรคอันนี้หายแล้วไม่ต้องมีโรคอันใหม่มะเร็งก้อนนี้ดับแล้วไม่ต้องมีมะเร็งก้อนใหม่เป็นต้นเนี่ยนะดับทุกเหล่านั้นได้อย่างไรฝีอันนี้ดับไปแล้วหมดฝีอันใหม่ทํำยังไงท่านบอกว่าเพราะอวิชชาวิราคาเนี่ยนะคลายอวิชชาซะอวิชชาวิราคาเนี่ยนะเพิกถอนอวิชชา ชำระชะล้างอวิชชาถ้าล้างอวิชชาสํารอกอวิชชาคลายอวิชชาได้เสร็จแล้วเนี่ยนะความรู้ก็เกิดขึ้นวิชาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นดับอวิชชาได้แล้วดับดับตันหาได้คือวิชาเกิดขึ้นหมายความว่าสมถะและวิปัสนาที่เคียงคู่กันไปจนอรหัตตมรรคเกิดขึ้นสํารอกอวิชชาแล้วก็ดับตันหาได้โดยไม่เหลืออย่างนี้แล การเกิดขึ้นในพบใหม่จึงจะไม่มีต่อไปเนี่ยนะก็ต้องวิชานั่นแหละเกิดขึ้นถ้าใช้คําว่าวิชาเนี่ยหมายก็ว่าจักษุปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยนะเมื่อกี้สวดในธรรมจักนะจักขุจักขุงอุปทปาธิยานางอุปทปาธิปัญญาอุาปาทปาธิวิชาอุาปาทปาธิอาโลโกเนี่ยนะอโลกะเนี่ยนะก็คือจักษุปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้น แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะไอการปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละปัญญาอันนั้นแหละจึงจะดับปัญญาดับอวิชชาที่ไม่รู้อริยสัจเมื่อรู้อริยสัจแล้วเนี่ยนะถ้าเห็นอริยสัจตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตัณหาเมื่อรู้ธรรมเป็นที่ดับตัณหาตัณหาก็ดับโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าดับอวิชากับดับตัณหาได้เนี่ยนะถ้าดับอวิชชาดับตัณหาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าดับสังขารได้ วิญญาณก็ดับถ้าดับวิญญาณได้เนี่ยนะการปฏิสนธิในภพใหม่นามรูปทั้งหลายในภพใหม่ก็เป็นอันดับเพราะนั้นการปฏิสนธิการเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีอีกต่อไปนนะแล้วก็เป็นคำถามสัจธรรมเนี่ยนะในข้อ498นั้นเป็นคำถามทุกขสัจจะกับเหตุให้เกิดทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะกับว่าดับสมุทัยได้อย่างไรเนี่ยนะว่า ที่จริงท่านก็อริยศาสตร์ท่านก็พูดง่า ย, ายๆนะฟังนะั่นไม่ยากก็คือบอกว่าวัตะเป็นยังไงก็พบสามนั่นะแหละแล้วเหตุให้เกิดพบสามก็อวิชากับตัณหานั่นะแหละเจริญให้มากทําให้มากนั่นะแหละพบสามก็ตัวเอาตัวเอานี่ยนะเขบอกอ่ะไม่ได้เจริญอ่ะบอกว่าชํานาญเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนเขาบอกเขาไม่ได้เจริญอวิชานะ ก, ก็อยู่ห้องเขาไปเรื่อยนั่นแหละชํานาญมากเลยนั่นะแหละเป็นความคล่องแคล่วของอวิชากับภาวะตัณหาอาการไม่ การไม่เกิดในภบใหม่ล่ะโยมก็บอกว่าเอ้าเขาบอกเขาไม่ขอเกิดอีกแล้วเขาบ่างั้นเขาไม่ขอเกิดเขาบอกเขาเบื่อเบื่อการเกิดเนี่ยนะเบื่อต้องมาเลี้ยงหลานเบื่อต้องมาทำมาหากินบ่าเขาเบื่อลมทีละมันเขาไม่เกิดแล้วเขาพอแล้วเนี่ยนะเบื่อเลือเกินเนี่ยนะเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อกว่าแล้วนะทอเอ้าแล้วทําเมื่อคุณเบื่อองนี้ทําไงบอกก็อยู่เลี้ยงหลานต่อไปว่างนั้นนะพอถึงเวลามันก็เลิกเองมันก็สําเร็จเขาพอแล้วงนั้นการเข้าตาแล้วเขาก็ไม่เกิดอีกแล้วเนนะ เขาก็พอละบอกโอ้ยอะไรจะง่ายขนาดนั้นมัดข้อเดียวอ่ะ น, นี่เนี่ยนะไม่ใช่มัดมีองแปดเนะี่ยพระพุทธเจ้าอะไรนะสร้างบารมีแทบเป็นแทบไม่ใช่แทบเป็นอ่ะนะสร้างบารมีจนตายกี่ชาติแล้วเนี่ยนะจึงได้ตรัสรู้ใช้คําว่าไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเนี่ยนะเราเหมือนกับคนนั่งความหวังว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รวยแล้วพรุ่งนี้ก็รวยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เลิกว่าพรุ่งนี้ก็ดับความจนได้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็ดับความจนได้หมดแล้วเหมือนคนโรคคนไข้หนักทุกขเหลือเกินเนี่ยนะ ทุกทรมานนอนสมเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกชั่วโมงต่อไปนะเขาก็หายป่วยแล้วอีกชั่วโมงต่อไปเขาก็หายป่วยแล้วที่ก็คิดว่าพรุ่งนี้เขาก็หายป่วยแล้วห้ยสนิทด้วยนะหายชนิดที่เรียกว่าไม่มีเชื้ออีกต่อไปไม่ทําอะไรเลยนอนอยู่เฉยๆเนี่ยนะแล้วประเภทแบบโรคติดเชือ้อลูกรามที่มันแบบมันทําท่าจะรามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเยี่ยมโยมคนน่ะ เขาก็เป็นโรคเกี่ยวกับโรคพวกโรคมะเร็งเนี่ยนะพวกนี้เขาจะให้กําลังใจตัวเองเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาก็หายเขาคิดว่าเขาจะหายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านแล้วพวกนี้เขาจะกลับบ้านแลปรือนี้เขาจะกลับบ้านแล้วไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเมื่อไรเขาจะกลับบ้านท่าเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็หายกลับบ้านแล้วก็หายกลับบ้านนะใช่อะ ร่างกายอาจจะได้กลับไปทำบุญที่บ้านนะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นบ้านนั่นนะคือเขาเข้าใจผิดคิดว่าคงเดียวก็หายเดียวก็หายชันใดผู้ที่เกิดในวัดตะทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าไม่เจริญอริยมรคนะอย่าคิดว่าเดียวก็บรรลุเดียวก็บรรลุเดียวก็เห็นนิพพานเดียวก็พ้นทุกเดียวก็พ้นทุกไม่ตรงข้ามทุกที่มีอยู่นะนี่มันถือว่ายังเบาเนี่ยนะ ต่อไปมันจะทุกข์หนักกว่านี้อีกเรื่อยๆเนี่ยนะเปรียบเหมือนคนหนุ่มคนสาวอยากคิดว่ามันจะหนุ่มกว่านี้อีกแล้วไม่มีแล้วเนี่ยนะยังเข้ามาเนี่ยนั่งนึกเลยนะเขาบอกว่าไอ้ความเป็นหนุ่มมันท่าจะหมดแล้วล่ะต่อไปนะมันแก่อย่างเดียวไม่ต้องคิดว่ามันจะหนุ่มกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะไม่มีทางเราบอกว่าหมดทางแล้วว่างั้นเถอะมันมีแต่จะแกกว่านี้แกกว่านี้แลที่เหลือมันก็เหลือแต่ตายแค่นั้นแหละว่าถามว่าตายแล้วทําไมอ่ะทําไมสิ้นไม่สิ้นอภิชากับตันหาก็นํามาซึ่ง พบใหม่เนี่ยนะก็มาชาติชรามรณะไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นรกักวัตะทั้งหลายเหมือนคลื่นในทะเลบอกฟังแล้วแหมมันน่าเบื่อเหลือเกินนะวัตตะบอกว่ามันน่าเบื่อแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติคือเราว่าเหมือนกับคนที่เบื่อความทุกข์ยากเบื่อความยากจน้นนไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะเบื่อแล้วก็ไม่ยอมทํามาหากินไม่ยอมศึกษาหาความรู้ไม่ยอมไม่ยอมศึกษาเพื่อการครองชีพเพื่อการเลี้ยงชีพนอนสมอยู่กับ เสื้อผือน้นหมอนใบเก่าๆผุๆอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกว่าเบืเ่อเลอเกินมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คนที่เบื่อในวัฏฏะก็เหมือนกันนั้นทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนโพธิปัขจะธรรมไว้สามสิบเจดข้อที่เป็นคุณเครื่องนําออกจากวัฏฏะเนี่ยนะคือการที่เราเรียนรู้วัฏฏะคืออะไรเหตุให้เกิดในวัฏฏะคืออะไรความดับวัฏฏะเป็นอย่างไร ถึงพอจะเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายถามว่าทำไมเพราะต้องมีคุณธรรมที่นำออกจากวัตถะใ่ไต้องมีคุณธรรมที่นำออกจากวัตะเช่นเหมือนกับวิทยาแพทย์เขาเขารู้ว่าเนี่ยโรคเนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนรู้เหตุให้เกิดโรคอันนี้เนี่ยมันร้ายแรงขนาดไหนรู้แล้วโรคนี้หายได้ไหมหายได้ แต่ยาที่รักษานี่ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันจะต้องมีตัวยาอะไรมั่งหรือรู้ว่ายาอะไรรักษาแต่ทําตัวยาไม่สําเร็จเนี่ยนะประกอบตัวยาไม่สําเร็จพอที่จะรักษาค่าเชื้อโรคอันนี้ได้เพราะมันเป็นโรคประเภทที่ต้องค่าเชื้อแล้วมันจึงจะพ้นฉันใดวะโรควัฏฏะในภูมิสามการมมาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะในความคิดของพระเรียกเจ้าในปัญญาของพระเรียกเจ้าท่านก็บอกว่าโรคทั้งนั้นแหละ เสร็จแล้วเหตุให้เกิดในภพสามนั่นแหละคือเชื้อโรคเนี่ยนะเชื้อโรคโรคอันนี้มันดับได้มันรักษาได้เนี่ยนะเพราะมีธรรมะที่ดับโรคมีแต่ว่าจะต้องมียาก็ประกอบตัวยาโพธิปัจจะธรรมสามสบเจ็ดก็เรียกว่ายาไายของพระอริยาเจ้าพระพุทธเจ้าใช้คําว่ายาถอนพิษของพระอริยาเจ้าคือมักมีองแปดเนี่ยนะก็กลืนไปเหอะกว่าจะบริโภคมักแ8ดสาเร็จบริโภคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา ก็มาคิดดูนะเอ๊เราเห็นเนี่ยความเห็นของเราเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยเราเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าภาเห็นไหมอย่างที่บอกว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่าซ้ำข้อปฏิบัติเนี่ยนะที่ข้ออริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่และเนี่ยที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานธรรมจักขู่ให้เกิดธรรมญาณให้เกิดเป็นต้นเนี่ยอารยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรักษแปดมีเป็นฉันไนสัมมาทิฏฐิเห็นอะไร เ็นอริยสัจไอ้แล้วความเห็นของเราตอนนี้เราเห็นอริยสัจไหมก็ถามว่าเราเห็นอริยสัจไหมน้อมไปเพื่อจะเห็นอริยสัจไหมจริงอยู่ขณะนี้ไม่เห็นอยากจะเห็นแค่ไหนจริงๆอ่ะถามจริงอ่ะใยใจเพื่อจะเห็นนี้ทุกไยเพื่อจะไปเห็นไยไยเพื่อไปเห็นนั้นน่ะคือต้องพวกนี้คำให้ดีนะว่าไม่ใช่น้อมไปเพื่อนึกถึงคำแต่น้อมไปเข้าใจว่าโอ้ในสภาพของ ของทุกในวัตฏะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดในวัตฏะเป็นอย่างนี้ความก้าวล่วงวัตฏะเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อดับวัตฏะเนี่ยช่องทางเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรับทัศนกติจนเข้าใจตามหลักอริยสัจเนี่ยนะไม่เข้าใจวิปรารคลาดเคลื่อนอ่านพระไตรปิฎกไม่มีสงสัยสักสูตรหนึ่งเพราะความเห็นของเรากับพระพุทธเจ้าเป็นความเห็นในแนวเดียวกัน ความเห็นในทิศทางเดียวกันเมื่อเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะไม่เข้าใจกันอย่างวิปรลาศคลาดเคลื่อนแล้วเนี่ยนะก็เป็นความเห็นที่น้อมไปเพื่อเห็นอริยสัจทีนี้ต่อไปแล้วความคิดของเราเป็นความคิดที่น้อมไปคิดตามหลักอริยสัจอยู่หรือเปล่าคิดเพื่อให้เห็นอริยสัจไหมเนี่ยก็ไล่ไปแล้วคําพูดของเราเนี่ย ม, มันสอดคล้องกับวิธีการกําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยธรรมนิโรธให้แจ้ง การเจริญอริยมรรคทั้งหลายไหมเนี่ยนะสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดความขยันหมั่นเพียรของเราเนี่ยนะทุกอย่างที่เราทําทั้งหมดเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช้าสายบ่ายค่ํากลางวันกลางคืนวันวันเดือนปีเป็นต้นเนี่ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยน้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจไหมเพราะที่เห็นอริยสัจของเราอยู่ณนะจุดใด เขาเรียกว่าธรรมะธรรมะที่จะเห็นอริยสัจอยู่ในจุดใดสิ่งที่เราทำเนี่ยนะน้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจได้อย่างไรนั่นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจที่โสตาปฏิยังค่าธรรมใช้คําว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่ แต่ทำเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเอาแล้วมันไม่น้มไปอ่ะไม่น้อมไปก็ต้องสมาทานกุศลธรรมกันล่ะที่เขาเรียกว่าสมาทานศีลนะ เ, เนี่ยนะเช่นต้องสมาทานศีลศีลเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานเบื้องแรกก็ต้องเป็นศีลเมื่อเป็นศีลแล้วก็ต้องมาสมาทานศีลสมาทานศีลสมาทานกุศลธรรมสมาทานโพธิปักกยธรรมสมาทานเจริญกุลธรรมสมาทานเจริญคุณธรรมในทุกอิริยาบถ เนี่ยนะสมาทานเจริญคุณธรรมไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะสมาทานในทุกกระวัตทุกอิริยาบถในที่ทุกหนทุกแห่งในที่ทุกสถานเนี่ยนะ น, น้อมไปเพื่อเจริญคุณธรรมเหล่านั้น <_ C os al> การที่เราน้อมไปเพื่อเจริญคุณธรรมเ น, นี่ยนะน้อมไปเพื่อเจริญอริยมรรคอย่างนี้เขาเรียกว่าตะทิมุตตตเาเรียกว่ามีจิตน้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเ น, นี่ยนะ คือถ้าปรับความรู้ปรับความเข้าใจจนเพียงพอแล้วน้อมให้กุศลจิตที่เป็นโพธิปักจะธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในทุกอิริยาบถในที่ทุกสถานเนี่ยเรียกว่าตะทิมุตตาอันนี้ถ้าพูดอีกภาษาสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิที่กอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกน้อมเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญในอิริยาบถทั้งสีน้อมเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญเพรร ม, เมันการที่เราน้อมฝักใยใน ในกุศลธรรมเหล่านี้น้อมไปเพื่อให้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าผู้ใฝ่ในธรรม